ต่อไปสภาคาบัด น, นะครับในข้อว่าสภาคาปฏิโยจารวิชันติต้องมีสภาคาบัดใช่ไหมเวลาที่เราสิบปฏิโมกข์ครับจะมีคำนี้มีการวินิจฉัยดังต่อไปนี้การที่สงทั้งหมดต้องลบหุ่การบัดก็สงในวัรหมดเลยไปต้องอาบัร ต, ตัวหนึ่งอาบัดเบานะครับไม่ใช่ปลาชิ้ไม่ใช่นาคาริเศษนะด้วยวัตถุที่เหมือนกัน มีการฉันอาหารในเวลาวิกาเป็นต้นทั้งวันเลยฉันอาหารในเวลาวิกาหมดเลยกรณีาอาจจะอุบัติไหตุก็ได้นะสมัยก่อนเขาไม่มีนาฬิกานะครับเขาดูงเงาแดดแต่วันนั้นคุ้งคว้าคุงฝ น, นนะมันไม่รู้ว่าแดดไปถึงไหนถ้าเข้าใจาถึงว่าตอนนี้มันมีเป็นนาฬาอยู่นะครับแต่พอว่าจริงๆอ่ะมันเป็นวิกาไปแล้วแต่ได้ไปฉันารตอนที่มันมันเป็นวิการครับบาทีมีได้ ก็เป็นขนอันนี้วัตถุที่เหมือนกันเช่นนี้เรียกว่าสภาคะก็คือต้องอาบัติองเบาในข้อเดียวกันนะข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันนะอะไรก็สงอ์จะแสดงสภาคาะบัตเพื่อบัตปลาซีนี่เป็ยกตัวอย่างนะที่ต้องเพราะเหตุที่ฉันอาหารในเวลาปิกาในสำนักของที่สุผู้ต้องอาบัตปลาตีเพราะเหตุที่ชนะอาหาร ได้ทําให้เป็นเดงก็ใช้ได้โอ้ย น, นี้เนี่ยข้ออธิบายนู้นเราตายอีกทีอันนี้เราเราพอรู้ใช่ไหมครับอาหารที่ไม่ทําเป็นในหมายเพราะว่าที่สู่ฉันอาหารอยู่อแ ล, ล้วกําลังฉันโภชนาอนยะ่างนีโย่ข้าวหาโยางหรือว่าเนยบิ๊กะด้วยกันก็แล้วแต่อาหารมาถวายท่านก็บอกพอแล้วข้าวหามถวายเข้ามาสบาปยิ่งอาหารไม่ให้เลยพอแล้วไม่เอาแนละ้วเมื่อห้าอย่างนี้เสร็จ พอได้ฉันเสร็จปุ๊บลุกไปวันนั้นท่านฉันอาหารไม่ได้เลยนะเพราะถือว่าห้ามพัดแล้วเนีย่ยเป็นการห้ามพัดแล้วนะถ้าท่านจะถานอีกท่านต้องทำวินัยกรรมอาหารใหม่ที่ท่านได้มาเนะี่ะท่านทำให้เป็นเดนตามวินัยกรรมกที่จะฉันได้ไแต่ท่ามันช่วยวินัยกรรมหลายอย่างที่ไปเจอไปอีตีนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้ทำอาหารให้เป็นเดนอะันแล้วก็ไปฉันก็จะเป็นอะบาดไปอีตี พอตัวห้ามท่านเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ามาสนะอาหารลุกลุกแล้วท่านยังไม่รุกไม่เป็นไรแท่านลุกก็ส่าไปได้เรื่อยแต่นี้ลุกแล้วก็ไปน็นกครับอย่างนี้นะชื่อว่าชนะเป็นเดนการทําเป็นเดนก็คือมีอยายกวิญญากรมหาอยากจะแย่งง่ายคืออย่างหนี้นะต้องยกให้เพื่อนต้อาหารนี้ยกให้เพื่อนแล้วก็มีการกล่าวว่าอะอารามีตังสำพัแล้วก็อาหารนให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะบอกว่าอารามีตางสัมพังแล้วปรึกษาใครก็ได้ครับ ทั้งหมดนั้นพอแล้วท่านจะหยิบของเราหรือไม่หยิบก็แล้วแต่แต่เราเราก็บอกเราห้ามพักไแล้วเนาะย้อนหานี่ให้พันเตยนะครับพันเตยก็บอกว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วแล้วก็ให้คืนผมมามันก็ชื่อว่าเป็นเดนะนะครับผมว่าไปใช้ได้นะ <c oughs> ก็ใช้ได้เพราะว่าเอาแบบไปตีจรีนก็แต่ ว, ว่ามึงคนละขนะ้อกันคนละวัตถุนะอนี้ไม่เป็นไรไม่ช่วสภ า, าคามแบบถ้าสภา อาบัตไปสมมุตินักอาบัตตัวเดียวกันข้อเดียวกันอย่างนี้ไหมครับเชื่อสภาคาบัดและเมื่อสภาคาบัดของสองมีอยู่อันนี้สภาคาบัดจะปรองด้วยกันก็ไม่ได้ครับถ้าปรองด้วยกันก็จะมีอาบัตเพิ่มอีกตัวนะเป็นอาบัตทุกกฎเพราะไปตรงไปรับสภาคาบัดกันนะครับเพราะเวลาไปปรองอาบัตเนี่ยบันทีก็มีถามก่อนนะบางทีก็บอกว่าผมต้องข้อนี้ข้อนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเขาต้องข้อนี้กับเรา เราก็ยังไม่ฟงเราก็ไปฟงกับลูกอยู่นะมาทีการบอกอาบัตเนี่ยก็มีประโยชน์่นี้นะครับอย่างนี้กามดให้องาใาือวเดียวกันนังไม่งไม่ถ้าเราไม่รู้อะไรก็อย่างนี้ไม่แตวก็มีอาบัตนะครับก็มีอาบัตครับมันงไม่ได้เลยถ้าท่านพูดถึงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีข้างหน้าหน่อยนะ เกิดมีที่สู่รูปหนึ่งท่าไม่รู้ว่ามัการต้องอาบัตอย่างนี้น่ะท่านเขาจะว่าโป่งนึกกันได้แล้วก็ไปโป่งนะครับท่าไม่รู้ว่าเป็นอาบัตนะถ้านไปโป่งก็เป็นอาบัตเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมีท่าหน้านะครเดียวผมไปพูดแต่ยังไงว่าสอนแรกยังโป่งไม่ได้ก่อนแล้วทีนี้เมื่อปป่งไม่ได้ทําไงถ้ายังมีอาบัตติดตัวลงปาฏิโมกไม่ได้นะครับลงปาฏิโมกก็ไม่ได้ไม่ลงก็ไม่ได้อีกเพราะวันนี้เป็นบอลลิวบอลสดงันนะไม่ลงก็โล่นะครับ จะพองก็ไม่ได้ก็มีวิธีแก้นะครับเมื่อสภาคาบัตของสงยังมีอยู่ที่สู่เหล่านั้นคืิ่งส่งที่สู่รูปหนึ่งไปยังวัดใกล้เคียงไปวัดใกล้ๆนะโดยให้กลับมาให้ทันในวันนั้นด้วยคําว่าไปเถิดคุณแสดงอาบัตนั้นเสร็จแล้วจงมาพวกเราแสดงอาบัตในสำนักของคุณก็ส่งไปให้ตรงในวัดหรือเขไม่ต้องขอดีเราทั้งวันนั่นแหละเป็นตัวแทนไปนะ แล้วกลับมาและสองที่เหลืองก็จะตรงกับท่านใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าทําได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนั้นวัดอื่นเมื่อคืนเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรนี่นะอันนี้บางกองนี่นข้อเดียวกันหรือว่าอะไรนี่นะข้อกัดถ้าเกิดว่าว่าถึงต้องบัดเดียวกับเรา้ง นเนี่ยวจะมีวิธีครับตามลำดั บ, บนะวิธีอย่นมันก็ได้หลายกรณีบานที่อาจจะไม่มีวัดใกล้เคียงนั่นแหละท่านไปอยู่ในวัดป่าที่มาไกลก็มีวันเดียวนะวันที่อยู่ก็ไกลนะครับไปมันเดียวกลับไม่ไม่ทันแน่นั้นทํายังไงครับถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้อย่างนั้นที่สุดผู้ชนดผู้สามารถครึงสุประกาศให้สงทราบด้วยยนติ ก, กรรมวาจาอย่างนี้ว่า ท่ไม่ได้จริงก็สุ ป, ปะการสร้างเลยเมื่อสุ ป, ปะการที่เสร็จแล้วก็จะสามารถทำโมสดได้ครับว่าสุนาตุเมพันเตสังโคอายังสัมโพสังโคสภาทางอาปติอาปัโนยะธาอัญญพุขุงสุทางอนาปฏิกังปสิกสติตถาปสสะสันติเกตังอาปติฏติกฤติสติท่านผู้เจริญขอส่งจงความพระเจ้า สองทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัตในเวลาใดเห็นพิสู่นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติเวลานั้นจ ะ, สะแสดงอาบัตนั้นในสำนักของพิสูจนนั้นถ้าสุปการนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะแล้วก็สามารถทําำนักได้ท่านที่ยังมีอาบัตติดตัวลนะครับแต่พระเจ้าไม่ยําไม่ให้ทำอย่างนี้เด้นะ มาเนี่ย น, นะต่อจากนั้นสงผึงเทาบูสดแต่ถ้ามีความสงสยัยนะถ้ามีความสงสยัยคือสงสัยว่าสงทั้งหมดเนี่ยจะต้องสะพานคาเหมือนกันเมื่อกี้นคะรัเมื่อกี้แน่ ใ, นใจนะว่าต้องสะพานคาเหมือนกันจริงแต่นี่เกิดสงสยัยคือไหมพวกเราฉันะหนาในเวลาวิการหรือเปล่าตอนนั้นนะ่ะมันเลยเพลต์ตัวหรือยังแต่ก็ไม่แน่ ใ, น ใ, นใจนะเพราะว่าอะไร น, นะตอ น, น, นไม่มีใครดูรนิการเลย อะไรฉันอย่างเดียวแต่ก็มาสงสัยด้วยกันทีหลังนะครับทํายังไงแล้วก็อันนี้ก็แต่ถ้ามีความสงสัยที่สุผู้ชรานควรประกาศให้สงทราบด้วยยติกมาวาจาว่าก็สุประกาศนั่นเดิมสุนาตุเมพันเตสังโคอยังสัพโธสังโคตพาคายะอัปติยาเวมติโกยะทานิเตมติโกภวิสติ ตถาค า, ามาปฏิจ ร, ริตสติท่านผูจเจริญขอสองฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงทั้งหมดนี้มีความสงสัยในสภาคาบัตรในการใดหมดความสงสัยในการนั้นจะแสดงอาบัตรนั้นขอสุภการแล้วนะครับเสร็จแล้วสงฆ์พึงทำบูรได้เลยแต่ถ้าในสงนี้เกิดมีวิสุบารูปสําคัญว่าการแสดงสภาคาบัตรนั้นใช้ได้ อันจะเป็นข้าวใหม่ว่ายังไม่ันได้เรียนเรื่องนี้นะยังไม่ชนะได้เรนข้าก็เลยข้าวจะว่าปองด้วยกันได้จึงแสดงอาบัตกับที่สื่อรูปหนึ่งท่านก็เลยเป็นปองด้วยกันท่้นเลยอมีอาบัตแล้วก็ปองเนี่ยเขาทำไม่รู้สัาพันธ์ขาบัตนะสันว่าได้แสดงดีแล้วนะหรือว่าบัตชนะเข้าเย็นเน่ยก็ไปปองด้วยกันอาบัตตรงนั้นก็หลุดนะเขาพอชนเข้าเย็นนั้นเขาหลุแต่ที่สจ่อทั้งสองรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ก trend, ra so ็คือผู้แสดงต้องอาบัตเพราะแสดงก็อาบัตเพราะว่าแสดงสภาคาบส่วนผู้รับก็ต้องเพราะรับสภาคาบเนี่ยคือลุ่มจากปัญตีครับเหียนด้วยกันครับแต่ว่าอาบัตทุกคนนั้นต่างวัตถุกันครับลูกนั้นเป็นเพรแสดงลุกนั้นเป็นเพราะรับครับทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สภาคาบแล้วัคราวหน้าครับ เพราะฉะนั้นพึงแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับพึงแสดงอีกครั้งเมื่อแสดงอีกครั้งคือก็หายทั้งหมดครับด้วยการกระทําอย่างนี้พิสูจทั้งสอง น, นั้นก็เป็นผู้ไม่มีอาบัตพิสูจน์ที่เหลือพึองแสดงหรือพึองบอกทางคาบัตในตำแหนังของพิสูจหล่านั้ น, น, นถ้าพวกเธอไม่ทําอย่างนี้ขืนต้องขอหายนั่นขืนทำมโบสดก็จะต้องอาบัตทุกกฎ ตมที่ า, พาีพระผ้าทรงบัญญัติไว้ในการทํางค์โบสถแกะทีส่สุขผู้มีอาบัติครับอันนี้แค่นี้ครับทีนี้ตรงเนี้ถ้านพูดถึงหมายถึงพระที่ก็ไม่รู้นะและเขาทาไปอย่างนี้ท่านก็ให้ปรงกันซ้ําทีหนึ่งนะครับเพื่อใได้ถึงอาบัติเลยแต่ถ้าพานรู้ทั้งรู้นะไม่ทําอย่างนี้นะครับให้ใช้วิธีประกาศให้สงสารเม็ดกี้นะว่าสงฆ์ทั้งหมดนี้ต้องสภาอาบัตินะครับที่ตั้งอยตินะ พ่อถ้าเรารู้ต้องรู้อยู่ว่าเป็นอาวันแรกยังงืนทำนะในตอนนั้นนก็ถือว่าไม่ละอันนะครับจะไม่ได้นาไม่ทำนะครับไม่ได้นรทำอันนี้พูดถึงคนที่เขาไม่รู้จริงๆนะนะเขาไปทำนะ ความจรอันนี้ท่าพูดถึงว่าถ้ามีพิสูจนที่ไม่รู้อย่างงั้นนะแต่จะไม่รู้เรื่องเหตุอะไรก็แล้วแต่นะความทีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสมควรที่จะฟงอย่างนั้นหรอกแต่ข่านฟงเพราะท่านไม่รู้ไม่ใช่ว่าสมควรที่จะทำอย่างนั้นนะแต่นี่เขาเรียกว่าต้องอนานบทเพราะไม่รู้ไงเกี่ยวกับอาการต้องอานบทของอย่างท่านจะว่าข้างหน้านะแต่ก็ไม่ไม่ควรต้องอะไรไอ้ต้องเพราะไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันทําไปแล้วเนี่ยจะเอาไงเลาทําไปแล้ว พอท่านไม่รู้แล้วก็มาทำคือได้ววิธีอย่างนีนะ้ถือว่าใช้ได้อันนี้จะบอกว่านะนะถ้าสืนทำโบสดนะก็จะต้องบัุกรดตามมิวผ้าทรงบรรยาติไว้ในการทำโบสดแกพิสุผู้มีอาบัตเป็นต้นว่าปาริสุทธิ์ทีเนสสมันตโตอาโรเจธาท่านทั้งหลายจงสแสดงความบริสุทธิ์หากสงทั้งหมดยังมีสภาคาบัตอยู่ ไม่ประพฤ ต, ติออาตามที่กล่าวมาขุนทะองโบสดนะจะต้องอา่านบัตรตามที่กล่าวมาแล้วนะครับมีอ่บัตรตัวนะจะต้องบัตทุกคนนะครับที่สุดผู้มีอา่าบัติดตัวไม่พึงฟังปฏิโมกต์นะครับรูปในฟังอา่านบัตรทุกคนนอกจากว่าเทำมิถิยมันเอกีนะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเะมื่อมีสภาคาบัตรอยู่ความพร้อมแห่งสงฆ์ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่าสภาคา ปฏิโยจะนวิชิตและสองไม่ต้องสภาคาบรจรึงอย่างนั้นเมื่อไม่มีสภาคาบถึงจะมีวิสภาคาบอาบัตที่ต้องต่างข้อกันปตัตตกกันละก็มีได้เลยกระชุ่มปัตตะกันละก็อาบัตต่ข้อแล้วก็โป่งเทยมันก็หลุดจบ มันก็ไม่บริสุดเลยนะเพราะว่าเจอมีอาบาัติตัวเนี่ยไปฟังตักทีโมองอาบัติก็เพิ่มหละอาหารก็เพิ่มนะถ้บริสุดธิ้าบริสุทธิ์ถ้าบริสุดธิตอบไปครับไ <c oughs> ม่บคอนพูดถูเว้นไม่ให้เข้าเรื่องสมบัตนะ ข้ว่าวัชนียาเจ้าบุคลาลตสมนขนติดมีความว่าวัชนียาบุคคลบุคคลผู้ควรเวน้นเอ่ต้องคนผู้ต้องห้ามนะบุคคลผู้ต้องหา้งหามหรือคนคผู้ควรเว้นเนี่ยทบามมียี่สิบเอ็ดจำพวกคือถ้าคนยี่สิบเอ็ดจำพวกนี้นะมาอยู่เนี่ยทบามตอนกระพักกระลงปาติโมกนะกรรมก็จะใช้ไม่ได้ครับดูกนนะการใช้ไม่ได้นี่อ๋อจะต้องบัตทุกกลนะครับจะต้องบัตทุกกลนะ นหนึ่งเลครับค้ า, ารือหานที่ต่างไว้ว่าพิสูจทั้งหลายพิสูจไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่มีค้ารือหานอยู่ด้วยพิสูจในส่วนพิสูจนั้นต้องอังบาทุกกฎนี่นะอันนี้นโยเก็าไปนั่งฟังด้วยนะั่งเข้าไปเ น, นี่ยทบใกล้ๆผ้าเลยผมเป็นหน้าเขาขอฟังปฏิโวงด้วยนั่งอยู่ท้าย อ, อนะัศงเนี่ยร์ทอะไรนะอย่างนี้ชั่วไม่มีความถึงพร้อมนะครับสพระตาข้ารับก็ทำบุตร กฤษผู้ตวจต้องบัทุกน้นแต่กัมจะเห็นว่าไม่เสียเยอันนี้ถ้าใจว่าเสียนะเพราะว่ามันไม่มีประกาศกระหน้าครับไม่มีประกาศตะหนักอนีครับสภาคารบัดมีน้องครับกรมจะเห็นว่าเสียทีย่ไไม่มีไม่มีความถึงพร้อมนะเชื่อมีความถึงพร้อมครับ<ม> ล, ลองดูนะท่า น, นจะพูดถึงบเรลองดูนะครับ อันนี้บุคคลแรกเท่านั้นะครับความยิ่าแ ก, กจะฟังก็ฟังได้แต่แกต้องอยู่นอกทบะมันเคยมีโยมคนหนึ่งต้องการฟังพิสุสุดปฏิโมกครับก็ไม่ยากแกฟังแต่แหงแกอยู่นอกทบะนะนั่งไกลๆ ใ, ๆในและบุคคลยี่สิบจุดพวกที่ตัดไว้เป็นต้นว่าพิสุทั้งหลายพิสุไม่ถึงสุดปฏิโมกในบริษัทที่มีนางพิสุมีนั่งอยู่ด้วยเหล่านี้คือหนึ่งพิสุมีสองสิกขามาณ ศิษฐานานี่พอรู้ใช่ไหมครับก็คือแบบสมัมมเณีดีนะก็ผู้ที่เตรียมจะบวชในที่สุดนีนะ้เขาต้องมาไปนะประพฤติ น, นะครับสมาทานศิษฐานะบทหกข้อนะข้อหนึ่งถึงข้อหกมีสิห้าแล้วก็ไม่ใช่สินห้านะสิ้สิทธ์ของในียจะห้าข้อหกนะข้อแรกนะต้องประพฤติให้บริสุทธิ์ตลอดเลยสองปีไม่าขาดเลยถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไปนั่งหนึ่งใหม่ ต้องมาขัดกลางจริงๆนะนี่แหละเป็นยากเราไปสามเขาเรียกชื่ว่าสิกขามานาะสามสัมมเนสี่สัมมเนรีห้าผู้ราสิกขาแล้วเนะสร็จไปแล้วนีไม่น่านะหกผู้ต้องแบบปราชิกเจ็ดพิสูตผู้ถึงสงยกวัดในเพราะการไม่เห็นอาบัติเนีย่ยถึงยกวัด คนย่องวัดในข้อแปลแปลความนะครับคราวนี้คือย่อาจมูกข้างหน้านะที่แม่มาร่วมกระโสมด้วยแปดพิสูจผู้ถูกสงย่องวัดก็ไม่แสดงอาบัติรู้ต้องรู้ว่าตัวเองต้องไม่ยอมปองนะเก้าพิสูจผู้ถูกสงย่องวัดก็ไม่สนับทิฏฐิอาลามกเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นผ้าลิถานะครับนะก็ปฏิเสธทำแหน่วงคุณเจ้านั้นไม่เชื่อว่าการล่วงละเมิดอาบัตินี้นะมีโทษก็ไม่เชื่อ เป็นบันดอกบรรด์นี่บันด์สามประเภทมีอะไรนะบันด์ที่ถูกตอนองค์ปัมพีกาที่เขียนให้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเจอในข้างหน้าหรือจุลนาชิกเนี่ยจะพูดถึงบรนด์บรรดห้าสำพวกนะครับสิบบรรด์อันนั้นก็ไม่น่ามีบันด์ที่ถูกตอนเป็นต้นนะสิอดผู้รักเพศผู้รักเพศก็คือคนที่ปลอมบวชไม่ได้บวชเข้ามาที่นั่นก็นุ่งนือห่มเนือเองนะครับ ฟอมบวเข้ามาฆ่าเป็นเองก็แล้วแต่นะแล้วก็มาทําตัวเป็นภ้าหน้าคนทรงปัญสารนะทําข้าส ง, งสังคมสังคมยินดีการกระว่ายลุกมลับอะไรนี่นะครับช่วยกู้รับเพลินนะอันนี้นี่ยชิบหายเลยนะชาเนี่จะบวชไม่ได้เลยครับเพราะว่าถือว่าหนัก น, นะตรงนี้ถือว่าหนักนะ เ, เออนั่นแหละนะ ข้อคือถ้าแกมาทาตัวเป็นพระนะต้องมีการมายินดีนะยินดีประสบพศมาอะไรนี่นะข้อรู้สาติความประสงค์ที่สองการต้ะมถึงว่าหลักปเที่สเป็นเป็นทาร้อมแล้วี็มาหลอาจเป็นเป็นภาพร้อมนะแต่ต้องมารลอกอาจีถ้าเป็นประเทศถ้อเป็นหลอกยเคศล เขาจะมีแบบรับเพศแล้วก็รับสังวาสอะไรเขาจะได้ว่ารับเพ่แล้วแต่ว่าเกมมันได้รับสังวาสเขโดนควรมีทั้งทั้งสองคือไม่ได้นะครับทั้งรับเพศรับมาสคือไม่ได้ท่านบอกว่าส่วนผู้ใดบวชเอาเองนับพรรษาแห่งพิสุยินดีกามไหวตามระดับผู้แก่ห้ามด้วยอัศนะเท่าไรสังกรรมมีโสดาปวนาเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าคนรักทั้งสอง เขาเห็นที่ตนรักทั้งเพศทั้งสังวัต น, นะครับแต่ทีนี้เอางี้นะผู้ใดบวชเองแล้วไปวัดที่อยู่ไม่นํนาพรรษาเหตุพิสูจไม่นะครับไม่ยินดีการว่าตารดับผู้แก่ไม่ยินดีด้วยไม่ห้ามด้วยอาชนะไม่เข้าในสังฆกรรมอยู่โบสถ์สวรรคนะเป็นต้นผู้นี้ชื่อว่าคนรักเพศเพราะเขานักแต่เพศเพียงเพศเท่านั้นนะครับคือท่านจะสรุปหน้าตอนท้ายเนี่ย ก็คนถอยะสามารถทั้งสามชนิดเลยคิอว่าทั้งรักเทศอย่างเดี้รักสองว่าอย่างนี้แล้วก็รักสองอย่างนะครับสรุปตอนท้ายว่าไปยอนุ้บาสมบันเนี่ยไม่ควรให้หมุนผสมบดนครับถ้าเป็นบาสมบันควรให้ฉิดหายเสียนี้จับสติดไปเลยแม้ขอบวชอีกก็ไม่ควรให้บวชไม่ได้อัที่มีพูดถึงว่าคนที่ทําอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าใจบริสุทธิ์นะไม่เชื่อว่ารักอะไรนะไม่ชื่อว่ารักสองว่านะครับก็จะพูดถึงว่าบางคนเนี่ย ภมิชมุงเป็นข้าศึกแกมีคู่อันหลีนะตามจองล้างจองฐาตามผ้านะครับแกก็เลยหาองค์บายทำเงินดีหนึ่งคนหคนนี้ได้ก็เลยเข้าม า, าก็เลยนุ่งเนี่ยนุ่งหนือห่มเหลือเที่ยมา ท, ท, ทํานนะุรกิจผ้าแต่ใจแกบริสุทธิ์ไม่ไนะับฟองกคำมาสาไม่อะไรนะแค่ขอให้พนภายนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะกลับไปอย่างนี้แหละอันนี้ก็คิอว่าเขาได้มีใจบริสุทธิ์นะครับก็จะไม่ชื่อรับเพศที น, ทนี้คนนี้ก็ก็ไม่โดดไม่เป็นอะไรนะครับ ผูที่แสดงหนังนะเขาเขาอาจารย์คนที่สุดเนอะอ่านจากใต้แบบว่าคแ่าแต่เค่แค่ยังยังไม่เป็นนั่นอย่างเี้ยดูเรื่เปครับคือเขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ผ้าเขาไม่ยินดีไม่ได้อะไรทั้งอย่างแตแค่ว่าเอาผ้านมาผมเโอ้เสร็จเลยไม่น่าเลหนังเลยนันหนังเลย ไม่ได้เราโยมมันคารว่าวิสยัยได้ภาพเป็นแสดนงสดน้องแสดงหนังอะไรได้ยังไงภาพต้องอยู่ในทางธรรมในศึีลธรรมที่นายปฏิบัติไปอืนอกจากว่าให้ได้ใบบรรยายทำถ่ายภาพถ่ายกล้องอะไรนี้ท่านนะ อ, อ, อันนั่งไม่เกี่ยวเรามันอยู่ที่คนรู้อยู่ที่ใจเข้าบริสุทธิ์นะเขาไม่ต้องการหลอกลวงใครเลยนะที่ท่านยกตัวอย่างมาจรงิงสองสามเทพ คุณหนิงคนนี่มีใจบรบสุทธิ์จริงๆนั่นคือไม่ใส่ไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกรรมว่าค้าราชการามำกันใช่ไหมั้าราชาคเขำกัน<ส><ด>ใช่มันสงควรใช่ิมหมนะถ้าอย่างน้อยสุดถ้าเข้าไปนหน้าที่เจอ ก็คงจะเป็นทุกกดนี่นะครับแต่อย่างอื่นก็อย่างอื่นก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะเป็นอเนจ น, นานารการส่วนที่ไม่สมควมันจะมีเน่ะที่เดี่ยวไปฟ้องร้องข่มน้องประคองโดนตีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เท่านั้นนะครับแต่ถึงกับแสดงหนังเลก็ก็ยิ่งหนักมันมันเป็นกิเลสนะ่ะที่แบบมันไม่สมควรที่แม่ชาวบ้านเใช่ เค่ชอบอิจฉาพุทธนามาข้าไปทำอย่างนั้นขณะคารวะไม่คนทําเลยข้าไปอนันตะที่ว่าเรื่องอะไรนะในหน้าตักธรรมนี่ใช่ไหมไอที่ภาษาพรุทธเจ้าแนละ้วว่าเขาทํานี้เขาแสดงเล่นเลอะไรเล่นดนตีนหรือแสดงอะไรแหละแล้วก็ไปหามพรุทธเจ้าว่ า, านี้ทนะําเขาจะเป็นยังไงไปเกิดที่ไหนโแกก็พยายามจะถามไม่ได้เลย พระเจ้าก็บอกว่านะคือแกทําได้แค่ว่าจะทํำให้คนอื่นนะเขามีความสุขแต่ความยรเกลับทำให้คนะก็เพิ่มกิเลสมีกิเลสมากขึ้นพระเจ้าบอกว่าที่ไปครับคือจะไปอะไรนะปะหาสารนรกนคะครับนรกนั่นเลยก็คือไปนรกอเมริกีนะี่ะหละทำ น, นะนนขนาดคารวาไนมะ่นนคนทําแล้วก็ถ้าถ้าถ้าจะทำตัวเองนะ ต่อไปอะไรนะผู้รับแพ้นะครับไปแล้วสิบสองที่สู่ผู้เข้ารีดเดรีผู้เข้ารีดเดรีมายวมว่าทั้นี้เป็นผ้าแหละนะแล้วก็ไปเข้ารีดเดรีไปอยู่บวยเดรธีเลยนะครับหรือไปถือเลสเดรีอะไรนะยืมเป็นผ้าแล้วก็ไปเข้าสํา น, นักเดรีนะแล้วก็ยังไม่เสร็จหรอกไปนุ่งผมไปอะไรทําอย่างข้อหมดเลยอย่างนี้ชื่อว่าเข้าเดรีหรือว่าอันนี้ก็ได้ ไปฆ่าอิสยสีถ้าอยู่กับพวกชีเฟย์ก็แก้ห่าแก้เผาหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ร่วมเขาเลยอย่างนี้นะเป็นพวกฆ่าอิสยาสีจะเข้ามาบวชไม่ได้พวกนี้ก็หนักนะครับ <c oughs> ต้องไปอยู่ไป่วยเป็นเป็นพวกนั้นเลยนะต้องอยู่พวกนั้นเลย นี้เร่มนี้แหละเลื่อนี้มีเขาเรื่องที่หกนะครับติทยะแท่บอกว่าเนี่ยนะอธิบายละเอียดเลยนะครับ <c oughs> วินิจัยนะ อ, อุปสัมปันทิสู่นะคิดว่าเราจะเป็นเรลทีแล้วไปสู่สำนักแห่งเรลชีเหล่านั้นทั้งเพศทีเดียวทั้งที่เป็นพายแหละไปอาบัตทุกดกทุ ก, ทกย่างหาวนะครับทุกก้าบอาบัตตลอด เมื่อเพศแห่งดิเรกสีนั้นสัตว์ว่าอันตนถือเอาแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้ข้ารีดดิเรกีพอตนเป็นสีอเอาไปยอมรับนะนะถือว่าข้าีดดิเรกีแล้วทนิ่มชิมรานละเอียดอีกแม้พิสูตใดคิดว่าเราจะเป็นดิเรกสีเอาเองจึงนุ่งคากรองเป็นต้นพิสูจนั้นย่อมเป็นผู้ข้ารีดดิเรกสีเหมือนกันนะครับแต่ตอนแรกนีไม่ได้พูดนะพูดแต่ว่า เมือเ่อแพ่เห็นเรทีนั้นสักว่าอันตนถือแล้วย่มอมจะเป็นผู้เข้าดิเรกีต่อไปนะครับฝ่าที่สูุได้เมื่อเปื่อยกายอาบน้ําแลดูตนว่าการที่เราเป็นอาชีวะจะงามหรือ <c oughs> จะเป็นชีเปื่อยนะ <c oughs> เราจะเป็นอาชีวกะดังนี้แล้วไม่เสียผ้าการสาวะพออาบน้าแค่ผ้าใช่ไหมแล้วกับความคิดอย่างนี้นะแล้วก็ไปเลยนะครับ คงเปลยกายไปสู่สำนักพวกอาชีวะพิสูจน์นะั้นต้องอวบชุด ก, กดทุกทุกอย่างเท้อันนี้ยังไม่เป็นนั่นแค่คิดแค่กําลังเดินไปเนะี่ยถือว่ายังไม่ไป็นสำนักยังไม่ไปรับบอลล็นะครับนีงไม่เป็นเป็นอวบุด ก, กดก่อนแต่ถ้าในระหว่างทางมีอุตปะเกิดขึ้นแก่เธอเนี่ยละอายขึ้นมาได้นะเธอจะได้อวบทุ ก, กดแล้วย่อมพ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยัวได้ครับครับ <laughs> แม้ไปถึงสำนักผู้อาชีวะเหล่านั้นแล้วพวกพวกเขาตักเตือนโอ้เนี่ยพวกอย่างเตือนนั่นหรือแม้เห็นว่าบรรดาชาของชนพวกนี้เป็นพวกยิ่งนะเพราะบางสำนักเนี่ยเขาไม่ใช่โกนผมนะครับเ้าถอนผมทีนจุกทินจุกนะจัไจะตายเนะี่ยอันนี้ไม่เอาแนะทรมานเกินไปนะนี่อยู่คนนี้คนอะไรนี่นะแล้วกลับด้วยตนเองย่อมค้นได้เหมือนกัน มันเอาแล้วลเนี่ยก็ไม่เป็นนะยังไม่เป็นอันหนึ่งถ้าเธอถามว่าอะไรเป็นสูงสุดแห่งบรมชาของพวกท่านไปถามพวกนี้นะอันเขาตอบว่าการถอนผมและหนวดเป็นต้นก็ต้องถอนนั่นเนี่ยเป็นสูงสุดนะและให้ถอนผมแม้เส้นเดียวนะครเอาถอนก็เอานั่นเนี่ยถือว่ามีความเพียรด้วยความประโยงเท้าเป็นต้นตัวดีนะ นุ่งผ้าแววหางนก น, นมยุงเป็นต้นก็ดีชื่อว่าถือแค่ในอาชีวะเหล่านั้นชื่อว่ายอมรับความเป็นละที่ประเสริฐว่าบรรพชนี้ประเสริฐเธอย่อมไม่พ้นจัดว่าเป็นผู้ค้าดริยนทีอันหนึ่งถ้าเธอเพื่อจะลองดูว่าการบวชเป็นเเรศีสําหรับเราจะงามไม่งามจึงนุ่งผ้ากองเป็นต้นหรือว่าผูกชดาหรือว่าช่วยหามบริหารนะ อ, อ, อันนี้ลองดูก่อน ยังไม่ยอมรับเพียงใดรัฐที่ย่อมคุ้มครองเธอไว้เพียงนั้นครั้นเมื่อแพทย์จักรวาเธอยอมรับแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้เข้ารีดฤาษีเช่นนี้นะครับนุ่งผ้าคางกรองหรือว่าผงเชดาหรือว่าถวยหาบริษัทคือทําตัวเหมือนผู้ฤาษีแหละนะส่วนพิสูจผู้มีจีวารจงชินไปจึงนุ่งคางกรองเป็นต้นก็ดีถือแพทยฤาษีพ่อไพรไม่รลกจะตไพรเป็นต้นก็ดี หาว่าพวกเข้ารีดเดีไม่เลยเพราะไม่มีรัชทีนะครับถ้าบอกว่านันในเกสารกรุณทีแก้ว่าขึ้นชื่อว่าคนผู้เข้อเีนี้ท่านกล้าดูประสามบัณที่สุนครับเพราะเห็นนั้นสัมมเนแม้ไปสู่ติดฐ า, านะที่อยู่ของเดีแล้วพร้อมทั้งเพยย่อมได้บรรพชาเรืองผสมหที่่านเนรับอ่าท่า น, น, นเาานยไปเข้ารีีไม่ไม่เป็น ยังกลับมาได้แต่ถ้าพันเสร็จเี่ยกลับมาไม่ได้นะครับเนี่ยพันหนักนะพานหนักเลยทีนี้มเมื่อกี้ถอนขาบ้าอะไรนะไปทั้งจีวรเลยแล้วก็ไปยอมรับลัทธิของเขานะทั้งจีวร น, นี่นะก็เป็นนะก็เป็นนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตรงที่ที่ไม่ได้พูดหรือว่าแก้ผ้าหรือว่าไป น, นุ่งผมอย่างเขาใช่ไหมอต่ที่ว่าให้ถอนผมแม้เส้นเดียวนะแค่นี้นะครับ แล้วก็ถือว่าด้วยความเพี ย, กยงกระยงเท้าเป็นต้นนะหรือขนานหนักแค่ว่าเนี่ยไปทำหาบริขารพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นไปนักฆ่าหรือแล้วก็ไปรับไปทำอะไรอย่างเขาเลยนะยอมลับหอยางน้นนครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ไหม ช, อชอหนะ้อนช้อนถังหรือว่าอ เรอจะลองดูนะยังไม่ไปน ะ, ะยแล้ไปบวชตอนไหนนะ่ะบวชเองก็เป็นาตอันนี้อยากจะขอขอว่าของยินดีมาทานแล้วก็ปฏิบัติเลยมันไปสมณะของยินด <c oughs> ีนี่ก่อนอ น, นะถ้าเธอเพื่อจะลองดูว่าการบวชเป็นอินดีสม เราจะงานหรือไม่งามจะนุ่งคางกองเป็นต้นหรือว่าผุา่งฉาหรือว่าฉ่วยหามบริหารยังไม่ยอมรับแพทย์เพียงใดอ๋อนักที่ยอมคุ้มครองไว้เพียงนันะครับท่าตรงนี้นะตรงนี้เนะี่ยเขาไม่ได้พูดถึงว่าไปไม่ไปนะคําว่าตรงนี้นะพูดถึงแต่ว่าถ้ายังไม่ยอมรับแพทย์เพียงใดยังคุ้มครองไม่ได้ครั้งเมื่อแพทย์สักว่าเธอยอมรับแนละ้วยอดจะว่าเป็นผู้ค่าดีเดยวถ้ายอมรับแพทยแต่ว่าเป็เนะ แต่ก็ว่ายอม้มับยอมรับเท่นะคือถ้าเราแค่เราป่วยกายเนี่ยแล้วที่วาราะเด็เป็นไอชีวอกนี่นะครับอันนี้ยังไม่ไป็นนะนะครับยังไม่เป็นขนาดเดินไปเลยนะี่ก็ยังไม่เป็นนะก็ยีเดีตปาระหว่างทางก็ยังได้ไปถึงที่นั้นแล้วนะพอพอพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าลาบากไม่เอาก็ยังกลับได้ครับถ้าป่วยกายไม่เป็นนะป่วยกาย ยังไม่เป็นข้าวทีดินี่มีทุกกฎอะไรหรือเล่าครับกยังไม่ใช่ก็ต้องต้นที่ใจด้วยนะอันนี้คือใจเข้าไปแล้วนะเขาอยากจะไปไปแนะล้วเขเดินไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ไปยอมรับอยู่เข้า เขาพิมพ์ว่ามันเป็นลักษณะนี้นะอะไรนะแค่ว่าแก้ท่าเนี้ไม่เป็นแต่ถ้ามีการไปบวชไปทไําพิธีอะไรเหมือนพวกเขานะมันถึงจะเป็นแล้ักษณะการทำพิธีแล้ว ใ, ลใจกับใจใหม่คือแต่ละยังไม่รับเสร็จคือยังไม่ตรงร้องทั้งหมดอ่ะลองดูงก่อนถ้าลองดูก่อนก็ยไม่เป็นนะนี่ต้องต้องทํารับรับอะไรในทาง้ายสุด ขอความเจริญงอกงามทำดีงาของพระธรรมคดจนแับทึ้นมา่อหายด้วยกันทุกท่าน